ขอ oh, ความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประภติยานในวันนี้สรรมะปฏิบัติที่ได้กล่าวมาโดยดําดับนั้นมาถึงจากการรู้สติคือการตั้งสติและรู้ถึงการสละการบริจาคของตนเพื่อให้การอาศัยสติสัมปชัญญะและความเพียรในการรอมระลึกนั้น บังเกิดเป็นปีติปราโมทเมื่อมองเห็นการสละการไปจากของตนในข้อต่อไปนั้นคือเทวตานุสติการตั้งสติตามรละลึกถึงธรรมะที่ทาคนในเป็นเทวดาและตัวเทวดาเองเพื่อสามารถมองเห็นธรรมะเหล่านั้นภายในตนเองและบังเกิดขึ้นเป็นปีติปราโมท โดยนิยัเช่ดเดียวกันธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นทรงจำแนกแสดงไว้หลายนิยัด้วยกันเมื่อกล่าวโดยสรุปเท่าที่พบก็มีประมาณสี่นิ ย, ยัตซึ่งหมายความมาแต่ละข้อมีลักษณะเป็นมรรคหรือเป็นถนนที่จะนำคนเข้าถึงความเป็นเทวดาโดยจิตใจ ได้วความเป็นเทวดาโดยการอุปบัติคือการบังเกิดเป็นเทวดาธรรมประการแรกที่จะนำมาประรบในที่นี้ก็คือหลักเรียกว่าวัตตบทเจ็ดประการมีข้อความว่าคร้งหนึ่งกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิดได้กราบทูลถามหลวพุทธเจ้าถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดง ว่าพระองค์ทรงแสดงเรื่องเท้าสกะบ่อยๆองค์รู้จักเท้าสกะหรือเคยเห็นเคยพบกับเท้าสกะหรือไม่พระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์รู้จักเท้าสกะเคยพบกับเท้าสกะเคยสอนแล้วก็สนทนากับเท้าสกะและยังรู้ถึงธรรมะที่ทําคนให้เป็นเท้าเท้าสกะดด้วยจะดั่งก็ทรงแสดงเรื่อง ก็ความพิศดาลเป็นนั้นมากก็่โดยสรุปก็คือว่าในอดีตการมีมนุษย์คนหนึ่งยินดีในการมาเป็นสาธารณกุศลแก่ประชุมชนโดยการถากถางบริเวณต่างๆตกแต่งสถานที่ต่างๆให้เป็นที่รื่นรมเป็นที่พักผ่อนหยอดใจของบุคคลทั้งหลายมีคนนิย ม, มชมชอบมาก ท่านก็ทําไปเรื่อยคนมาสอบถามมาทําอะไรท่านบอกว่าสร้างทางไปสวรรค์คนก็มาเข้าสมทบกับท่านก็รวมแล้วเป็นสามสิบสามคนด้ยวยกันในการต่อมาก็สร้างเป็นรูปของถนนสำหรับเดินทางไกลแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นศาลาต่อมาก็ได้สร้างเป็นสวนสร้างเป็นสระ ให้เป็นที่พักของคนทั้งหลายแล้วก็ผ่อนหอนใจของคนทั้งหลายในการต่อมาเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทวสากาศเทวราชพร้อมด้วยบริวารสามสิบสามท่านแล้วก็ช้างซึ่งใชบ้บรรทุกสัมภาระมาสร้างศาลาและในช่างที่ทาหน้าที่ทำศาลาเหล่านะั้น พร้อมด้วยพัญญาของตัวหัวหน้าสี่คนสามคนที่ร่วมมาทาบุญแต่ว่าคนหนึ่งถือว่าสามีทำแล้วตัวเองก็ไม่ยอมทำถือว่าสามีทำก็เหมือนกับตัวเองทำเมื่อตายไปแล้วก็มาบังเกิดเป็นนกยางสีขาวนกยางขาวอยู่ใน ใ, ใกล้สะแห่งหนึ่งทัศกาลตรวจสอบก็ไป แนะนำไปสั่งสอนไปอบรมพัฒนาชาติพบมาจากนกกระยางมาเป็นธิดาในช่างหม้อตายจากทิดาในช่างหม้อมาเกิดเป็นลูกของเวปจิตติอสูรและทศากา r g ก็มานำไปอยู่ที่สวงสวรรค์แต่จากนั้นก็ทรงแสดงถึงธรรมะที่เป็นหลกการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ เรียกว่าวัดตบทคือบทแห่งธรรมะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นวัดคือปฏิบัติตลอดชีวิตเป็นลักษณะ ธ, ธรรมะระดับศีลธรรมจำยาสร้างการครองเรือนครองสุขกันอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมประการแรกก็คือมาตาเปติพลังชันตุง การอุปทาเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนหลักคนนี้เป็นหลักการที่มีความสําคัญปรากฏในที่ต่างๆเป็นนั้นมากเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงของแห่งชีวิตแล้วมารดาบิดานั้นเปียกเหมือนพรมเปรียกเหมือนบุรพาจารย์ตลอดจึงเปียบเหมือนพาระอาหันต์ของบุตรธิราดามารดาบิดาได้เลี้ยงตนมาแล้ว ลูกก็ต้องเลี้ยงท่านต่อด้วยแบ่งเบาภารกิจการงานของท่นานทงดวงวงศ์ส ก, กุลทำตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของส ก, กุลและเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญบุติกุศลส่งไปให้อันเป็นสำนึกกัตัญญูกตเวทีที่ลูกจะต้องมีต่อมานดาปิดา ถ้กว่าสามารถทำได้ก็เหมือนกับมีพระอราหันต์อยู่ภายในเรือนมีพรมอยู่ภายในเรือนมีบุรพาจารย์อยู่ภายในเรือนแต่ถ้าหากว่าปริปฏิบัติไม่ดีท่านก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาตักขิปิตักขิไฟคือมารดาไฟคือปิดาหมายความว่าไฟนั้นในขณะให้แสงสว่างแล้วก็ให้ประโยชน์เอเนกนันนั้น ถ้าเราเกี่ยวข้องกับไฟโดยความประมาทพลาดพลั้งไม่ระมัดระวังไฟก็อาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลเหล่านั้นได้อย่างที่ทราบกันนั้นการให้ความเคารพนับถือแก่มารดาปิดาด้วยความสนิกเชื่อมโยงตัวเองกับมารดาปิดาแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นเลือดเนื้อเชื่อขายของท่านจึงจะต้องให้ความเคารพนับถือ อุปถากลียงดูเหมือนกับการเรียงดูพระอาหันตอนเราจะเห็นว่าในหลักพระพุทธศาสานานั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงบาปรกรรมที่บุคคลทำต่อมารดาบิดาไว้เป็นกรรมระดับที่เรียกว่าอนันตเดีย ก, กรรมคือเป็นกรรมหนักที่มีกรรมอื่นขั้นในระหว่างไม่ได้ หมาความว่าใครก็ตามถ้าหากว่าทํากรรมถึงขนาดอนันตริยกรรมหรือข้าพ่อข้าแม่แล้วเนี่ยเรื่องอื่นเลิกพูดกันเรื่องการจะบรรลุมรรคผลการจะไปสวรรค์นิพพานนี่เลิกพูดกันแม้แต่จะทําความดีต่อจากนั้นเป็ น, น, นเอเนกนันย์ยังไงก็ตามแต่ว่าผลแห่งความดีนั้นไม่สามารถจะไปทําลายผลของอนันตริยกรรมได้ จะต้องชดใช้ผลของอนันตเจกรรมก่อนอื่นแต่ผลเหล่านั้นก็ยกยอดไปไว้ในที่อื่นครันงนี้คุณดูตัวอย่างพระเจ้าอัญชาติสัตศัตรูที่ไปปลงพระชนพระราชบิดาด้วยวิธีทรมานต่างๆตอนที่ได้มาฟังธรรมเทศนาเรื่องสามัญญผลสูตรในสนํานาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ศรัทธาเรื่มใส่มากๆ ประกาศตนเป็นอุบาสกยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสนะเป็นที่ฟึ่งตลอดชีวิตแล้วขอกรมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าที่ได้กระทาผิดต่อพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเมื่อานกราบทูลลากรับไปวางแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระราชานี้ประสบความพิบัติอย่างใหญ่หลวงพราะาหากว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ข้า พระบิดามาหลังจากฟังธรรมเทศนาพ็จบลงจะบรรลุมรคลเป็นพระโซดาบันแต่เพราะว่าการฆ่าบิดานั้นมาตัดผลลดนั้นเสียผลที่ท่านควรจะได้จากการฟังธรรมก็เกิดขึ้นเพียงแค่ทำใจทจิตได้เรื่อมใสเท่านั้นซึ่งไม่มีกำลังมากพอแต่เห็ดว่ามันไปตัดผลระดับมรคลได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยกย่องมันดาบิดาไว้ในฐา น, าาานะพระหันดังกล่าวลูกที่มีความสำนึกกตัญญูเลี้ยงดูมันดาบิดาด้วยความเคารพโดยการบูชาเทิดทูนเหมือนบูชาประหัรก็เป็นสิริมงคลเป็นสวรรค์วิมานธรรมะบุคคลเหล่านั้นประการต่อไปคือกุเลเชิฐาประจานยินัง การปฏิบัติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเชื้ถาบุคคลภายในสกุลคำว่าเชื้ถาบุคคลก็คือผู้ใหญ่ภายในตะกุลในแต่ละคนเราก็มีผู้ใหญ่ตั้งแต่รุ่นพี่ขึ้นไปรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอารุ่นลุงรุ่นป้ารุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นย่าไปขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วแต่จะมีกี่คนคนเหล่านั้นเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตของเรา การที่มาเกิดร่วมกันเป็นญาติพี่น้องกันเกี่ยวข้องูกผูกพันกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าได้เคยทำบุญร่วมกันมาจะช่วยดีทีห่างอย่างไรก็คือญาติพี่น้องอยู่ในประเภทที่เรียกว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดทำยังไงในฐานะเป็นผู้ยาวของะกุลจะประพฤ ต, ติตนออรมน้องขอมตน ต, ต่อท่านเหล่านั้น ให้การยอมรับนับถือยกย่องตามสมควรแก่ฐานะให้แสดงอาการกระด้างกระเดืองแข็งกร้าวหรือใช้คำพูดคำจาในพิธีการที่รุนแรงขาดความทันนึกจำเพงอย่า ง, ง, งน้อยที่สุดก็คือมีความรู้สึกเป็นนิดต่อทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไปในตระกูล แต่ว่าเป็นวิธีการในภาคสนามที่ต้องการสร้างพืติทนิสัยของบุคคลในระดับหนึ่งคือคนเราถ้ามีความอ่อนน้อมผอมตนต่อคนใกล้ชิดตัวเองได้พอไปเกี่ยวข้องกับรุ่นรุ่นราวครับคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับคนที่ใกล้ชิดกระตนกันคนรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอารุ่นลุงรุ่นป้ารุ่นดารุ่นยาย มันก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนปูนเดียวกับที่เราเป็นต้นก็จใจความเคารพยำเกรงนับถือคลายเป็นการแสดงความหมดน้องที่กระจายตัวเองเออกไปในสุดก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นต่อคนที่เสมอกับตนและก็อ่อนรอยกว่าตนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระมหา ก, กัตรปะว่า ตุกคอนกนสาสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในหมู่พิษสูทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงกล้าแต่มันก็ต้องมีจุดเริ่มสักจุดใดจุดหนึ่งก่อนเพื่อสร้างเป็นลักษณะนิสัยขึ้นมาตรงนี้ก็ทรงสอนในเริ่มที่บุคคลใกล้ตัวที่สุดก็คือกุลเชษได้แก่ผู้ใหญ่ภายในตระกูล มีความเคารพมีความรักใคร่มีความนับถือมีความยำเกรงมีความให้เกียรติยกย่องที่เราเรียกว่ามีความรู้สึกเป็นมิรก็ ม, มีความรักใคร่ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแสดงความมีน้าใจต่อท่านและพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมตุกระท่านในฐานะที่เป็นยาตกกิการทางสายโลหิต ถึง菩萨นษ า, ษาได้แสดงญาติสองประเภทอย่างที่ทราบกันก็คือญาติทางสายโลหิตแล้วก็ญาติทางความสนิทสนุมคุ้นเคยพราธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วที่จริงก็จะกระจายไปหาบุคคลที่เป็นญาติในฐานะความสนิทคุ้นเคยกันการปฏิบัติธรรมะของตนก็จะกระจายตัวเองออกไปจนกลายเป็นลักษณะนิสัยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ บ, บุคคลทั้งหลาย เป็นลักษณะโดยธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสัางเกตเราเห็นว่าธรรมชาติของต้นไม้ทั้งหลายในโลกต้นไม้อะไรก็ตามที่มีแก่นมากๆนั้นเปลือกข้างนอกมันจะอ่อนแต่ต้นไม้ที่แข็งข้างนอกนั้นข้างในมันจะกรวงแล้วก็สิ่งที่อยู่สูงสุดบนต้นไม้แต่ละต้นนั้นก็คือส่วนยอด ที่ใช้ประโยชน์ได้รวงข้าวที่พิ้วอยู่ข้างบ น, นแสดงว่าไม่มีมันเด็ดรวงข้าวที่มีมันเล็ด จ, จะต้องค้อมจะต้องอ่อนน้อมลงไปนั้นโด ก, การสอนบุคคลอยู่ในทีถ้าต้องการให้มีสาระแก่นฐารแล้วจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งหลายตัวอย่างที่คติไทยเราเตือนไว้เป็นคำกลอนว่า เป็นผู้น้อยคอยก้มประนมกรเหนื่อยไปก่อนจึงสบายเมื่อปลายมือพมาสร้างตนได้มีที่พำนักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมประการต่อไปสันหังสกิรและสัมภัสังหรือการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน เป็นภาษาของผู้ดีเป็นภาษาของชาวเมืองแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นได้ผ่านการฝึกปรืออบรมมาเป็นอย่างดีท่านบอกว่าหูของคนเหล่านั้นนิยมชมชอบที่จะได้ยินได้ฟังคําพูดที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานทุกคนมันเป็นธรรมชาติของหูเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเราต้องการได้ยินเสียงที่ไพเราะ อ, อ่อนหวาน จากบุคคลอื่นเราเองก็ต้องพูดคาไปละอ่อนหวานกับเขาลักษณะาทางสังคมไปรูปกิริยาปฏิกิริยาตามปกติแล้วเรามักจะเรียกร้องปฏิกิริยาที่ตอบสนองมาจากบุคคลอื่นแต่เราไม่ได้ใช้กิริยาเมื่อไม่มีกิริยาปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นไม่ได้ อย่างที่สรงแสดงไว้ว่าผู้ให้ย่อมได้รับการให้ตอบผู้ไหว่ย่อมรับการไหว่ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นกิริยาปฏิกิริยาที่เป็นเงาเป็นภาพสะท้อนเหมือนกับเรามองหน้าเราในเงาในในกระจกเงาหน้าในกระจกเราต้องการให้เงามันเป็นอย่างไงเราก็ต้องทํากิริยาอย่างนั้น แล้วเงาก็จะออกมาจากนั้นโลกสังคมที่เราเกี่ยวข้องกันก็จะเป็นเช่นเดียวกันเราต้องการให้โลกให้สังคมให้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาต่อเราอย่างไรเราก็สร้างกิริยาออกไปอย่างนั้นปฏิกิริยาก็จะตอบสนองมาในตานองเดียวกันประการต่อไปคือเปสุเนยยับปะหายยันงให้งดเว้นวาจาที่เป็นการส่อเสียด พระเศ้าเสียก็คือการยุยงให้เกิดความแตกแยกอาจจะใส่ความโกรธความพยาบาทความริษยาความแข็งดีความคิดเบียดเบียนก็นแล้วแต่สรุปว่ามันเกิดจากอากศสด้วยกันแล้วก็หันมาพูดคําที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดสามคีกัน เพราะถ้าเรามองความเกี่ยวข้องของบุคคลภายในโลกนั้นจะมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่ยังไม่รู้จักกันยังไม่สามัคคีกันเรามุ่งดีปรารถนาดีต่อ บ, บุคคลเหล่านั้นก็พูดส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีกันคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นสามัคคีกันแล้วแต่ว่ามีข้าวจะแตกแยกเราก็พูดประสาทนะเก็เกิดสามัคคีกัน คนบางพวกก็สามัคคีกันดีอยู่แล้วเราก็พูดไปชับไปสามัคคีหนักแน่นกันมากขึ้นขึ้นเสามัคคีที่จริงเป็นลักษณะของความคิดความรู้สึกแล้วค่อนข้างเป็นลีลาอารมณ์มีความเปราะบางโอกาสที่จะแตกแยกโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทกันมีได้ง่ายแม้แต่ระหว่างถ้ามีปัญญารว่างพี่กับน้อง ระหว่างญาติกับญาติถ้าไม่มีการเน้นย้ำให้เกิดสามัคคีกันบ่อยๆบางครั้งบางคราวก็รู้อำนาจแกอารมณ์อดกลั้นอดทนดอรอลงไม่ได้ก็มีกิริยาการที่รุนแรงออกไปแล้วก็ให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันได้ประการต่อไปคือมัจเฉระ บ, บินเจ ย, ยุตัง าาก็จัดมนทินคือความสนีออกไปจากใ จ, ใจิตใจลักษณะของความสนีนั้นอาจจะเกิดมาจากโทสะหรืออาจจะเกิดมาจากการหวงการเสียดายในสิ่งต่บนั้นแต่ถ้าเราลองดูให้ดีแล้วมันมาจากโทสะเพราะถ้ากับคนที่เรารักจริงๆนี่เราไม่เสียดายเราไม่หวงเราไม่สนี แสดงว่าคนนั้นเราต้องไม่ชอบเราจึงจะนีเขาแต่มันก็ต้องเกี่ยวดยโมหะเป็นเรื่องธรรมดาความตันีนั้นทรงจำแนกแสดงไว้หลายเรื่องด้วยกันก็หมายความว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลชนจะนีผลประโยชน์ทั้งหลายที่เรียกว่าชนีลาบ กนณีที่อยู่คือไม่ต้องการในบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในที่อยู่ของตนบางทีไปแรงนะฮะจนถึงไม่ต้องการในเข้ามาอยู่ในประเทศของตนบางทีอาจจะแรงกว่านั้นนะไม่อ ย, อยู่ในไม่ให้อยู่ในทวีปของตนเองก็มีเป็นอาการรังเกียจที่รุนแรงคือไม่ชอบที่แรงๆ แ, และไม่ปรารถนาให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาภายในประเทศของตน แต่ถ้าเราสาวลึกๆ ล, ลงไปก็แสดงว่าคนนั้นก็เป็นคนไม่ดีไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นเป็นที่ปรารถนาเป็นคนอันตรายที่ปล่อยข้ามาอยู่จะดึงไปยดึงอันตรายมาสู่เราแต่บางครั้งบางคราวมันก็กลัวการที่แย่งผลประโยชน์ทั้งหลายยังเป็นปัญหาขัดแยง้งในเรื่องแรงงานนี่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แต่ละประเทศก็กลัวว่าประชาชนจากประเทศอื่นมาแย่งแรงงานราษฎรของตัวเองและจะนําทรัพยากรของชาติบ้านเมืองตนเองไปสู่บ้านเมืองของเขาก็าไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในชาติบ้านเมืองก็มีการตลอดต้งแบ่งเป็นเผ่าพันธุ์แบ่งเป็นโคตรเงาตระกูลต่างๆกันออกไป แล้วก็สนีิวันนะคือสนีิผิวหรือสันนิพวกสนีิสกุลคือไม่ต้องการให้ใครท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุ่มอภิยญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมื่องามไปบณ์ในธรรมจะงมีงแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี